แล้วเวลาที่เราจะแก้ปัญหาคนทุกเนี่ยจะแก้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรนี่มันเข้าใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิต ก, กับใจตัวเองเนี่ยอย่าอิสระทางจิตว่ทยาการเจริญสตินี่จึงมีอาลัสงฆ์มากมีผลมากมีประโยชน์มากทําให้ผู้ที่รู้จักจิตแก่ตัวเองแล้วเนี่ยรู้จักออกจากทุกอดเรื่องความทุกข์ต่างๆออกไปจากจิตใจได้ทําให้ใจเราผ่องใสทำให้ใจเราสงบเย็นเป็นปกติ เวลากระทบอารมณ์สัมผัสอารมณ์นี่มันก็จะค่อยเกิดปติปัญญาเข้ามารู้เท่ารู้ทันรู้จัดดับรู้จัดหยุดจัดยั้งจิตใจตัวเองอย่าง น, น้อยก็ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยอย่างผู้ที่มีจิตใจที่โปรง่งที่เบาที่สบายนั่นเรื่องของการมาถานเรื่องฝึ ก, กจิตโดยตร ง, งการฝึ ก, กจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกเบื้องต้นเบื้องแรกเนี่ยต้องอาศัยการทําความเพียรสําคัญมาก ความเพียรนี่หมายถึงการทําความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องเรื่อยๆแป่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามอะไร ย, ย่างโยงจะเดินอยู่นั่งอยู่หรือจะทําการทํางานอยู่ซักผ้าอยู่ปัดกวาดบ้านอยู่ก็ดีหรือจะเคลื่อน้อยทําอะไรอยู่ก็ดีพยายามที่จะฝึกตนเองให้มีรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะทุกขณะไปฝึกมันเพลอแล้วก็ตั้งใหม่มันลืมแล้วก็กําหนดใหม่ เพลาแล้วก็ตั้งหมายเยอะเนี้ยแต่ถ้าให้มันฝึกจริงๆฝึกที่โดยแบบไม่ให้มีที่อื่นมาเป็นปฏริโพเนี่ยฝึกล้วนๆเองเนี่ยดีคือไม่ต้องไปทำกิจการงานอย่างอื่นคือให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการกระทําของตัวเองให้โอกาสแก่ตัวเองมีเวลาที่จะปฏิบัติก็เอาขอเก็บอารมณ์บ้างห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันลองเข้าไปในสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติทําโดยตรง หรือมาหาหลวงพ่อเนี่ยก็มาเก็บอารมณ์ขอฝึกเก็บอารมณ์ในการดูตัวเองรู้จักตัวเองมันก็จะทําให้าการปฏิบัติที่มันก้าวหน้ามันได้ผลหากว่าเราปฏิบัติปีหนึ่งมาพบกันครั้งหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติยกมือเคลื่อนไหวทํากรรมฐานร่วมกันเมื่อกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้ใส่ใจกับการกระทําถึงปีเมื่อมีกําหนดประชุมหรือ การอบรมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทําอีกถ้าทําอยู่อย่างนี้มันก็ได้ผลเรียกว่าน้อยมากไม่ประจักษ์แจ้งแต่ผลที่เราก็ทําแต่ถ้าเราได้ทำต่อเนื่องเป็นลูกโตหรือมีโอกาสอยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยเราก็ทําอยู่บ่อยๆทำเรื่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ผลมากก็เหมือนการเราสะสมอทรัพย์สินเงินทองมาอย่างเดยวเหมือนกันเราขยันบ่อยๆเก็บหอมรอมริบเงินทองไว้มบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยเงินทองก็เพิ่มคูณ เป็นเงินทองที่เป็นก้อนใหญ่กองใหญ่เป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขึ้นไปก็เหมือนกันกับความรู้สึกตัวกับสติที่เราฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพยายามเก็บเล็กผสมน้อยทําความรู้สึกตัวบ่อยๆความรู้บ่อยๆก็จะค่อยเพิ่มความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงภาวะหนึ่งที่สติของเรามันเต็มเปี่ยมจิตเรามีความมั่นคงนั่นหลยโยมการรู้การเห็นการเข้าใจก็จะค่อย ปรจับกแจ้งชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสติของเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําคัญมากเพราะว่าจิตของเราจะมีสมาธิที่อยู่กับตัวเราได้ดีเพราะว่าเรามีสติที่คอยรักษาจิตคอยระวังจิตคอยปฏิบัติกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีความพลั้งเถือไม่ให้มีความประมาทผาดพลัง้งก็จะคิดอะไรจะนึกอะไรมันก็จะมีสติที่คอยระแวดระวังในเบื้องต้น แต่เมื่อมันฝึกสติจนมันเป็นสติปัฏฐานเหมือนหลวงพ่อเจริญที่กล่าวเมื่อคืนเนี่ยเพาสตินั้นมันเติบโตรู้เป็นมหาสติเป็นสติที่ใหญ่ที่มีพลังแล้วเนี่ยนั่นแหละสติตรง น, นั้นแหละจะให้เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ขึ้นมาถึงไม่อยากรู้มันก็รู้หลวงพ่อพูดเลยเมื่อไม่อยากรู้มันก็จะรู้มันเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ี่มันเกิดโผล่ขึ้นมาเนี่ย มันก็แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมาเองมันพอเวลาเช้าเนี่ยตอนที่แสงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยความมืดก็จะอันตรธานหายไปความสว่างสวัยก็จะเกิดขึ้นพอเช่นเดียวกับจิตใจของเราเนี่ยเมื่อจิตใจของเรามันเกิดสติขึ้นมาเนี่ยความมืดความหลงความไม่รู้ต่างๆมันก็จะอันตรธานหายไปภาวะที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานทางด้านจิตใจภายในนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเข้ามาแทน จะทำอะไรก็รู้รู้รู้จะรู้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนความคิดหมกมุ่นมัวเมาหรือความรุ่มหลงต่างๆมันก็จะอันตรทานหายไปันที่เราทุกกันมากเนี่ยทุกเพราะเราไม่เห็นความคิดไม่เห็นใจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจมันคิดไปในเรื่องราวต่างๆโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันจะก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าเราเห็นความคิดรู้ทันความคิด ถือแจมแจ้งในขบวนการที่มันคิดแล้วเนี่ยมันก็หยุดได้หยุดความคิดทั้งตัวเองได้ยั้งได้ดับได้ละได้ด้วยแต่นี่มันไม่มีพลังที่จะรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาฝึกเอาปฏิบัติเอาโยงเราจะไปขอรอ้องอ้อนวอนบวกหวงที่ไหนก็ไม่เกิดขึ้นมาได้อยู่ที่การกระทำของเราเองอันนี้เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำ เกิขึ้นจากการปฏิบัติจากการฝึกหัดจากการอบรมจิตเราเนี้เนีลยมันจะค่อยเกิดค่อยมีให้เป็นขึ้นมาเองเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยฝึกนี้มันก็ไม่มีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวพอกระทบอารมณ์ใดก็หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์นั้นยินดีพอใจไม่พอใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจแต่พอเราจเจริญสติปุตติไปแล้วเนี่ย เราจะมีสมาธิอยู่ทุกอุปัฏฐบเดินก็ตั้งใจเดินนั่งมันก็ตั้งใจมันรู้สึกตัวในขณะที่นั่งมันมีสมาธิจะทำอา j o มันก็มีสมาธิในการทําจิตใจไม่บกเบกไม่หวันไหวไม่ไปกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นแปลว่ามีสมาธิอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสตินจึงเป็นตัวรักษาจิตให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเมื่อคนเรามีสมาธิรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่เนี่ยนะ จิตมันจะรุงมันจะคิดอะไรขึ้นมาสติมันจะรู้เองก็หมดรู้เองเห็นเองมันรู้เท่าทันกันเองเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่จะเรเจริญสติให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องยากมากกวที่เราจะทําให้มันต่อเนื่องไปลูกโซ่ไหมืหลวงพ่อเทียนท่านพูดเอาไว้เนี่ยเพราะธรรมชาติจิต่อนนี้มันมักจะเพลอแล้วก็เพลินไลยทาอะไรก็เพลินไปลืมกันหมดลืมทําความรู้สึกตัวแต่มันไม่เลยไม่ต่อเนื่อง ทีนี้คำว่าต่อนเนื่องเนี่ยหมายถึงว่ารู้สึกตัวบ่อยๆทําอะไรก็รู้สึกตัวบ่อยๆกันหมดรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการต่อนเนื่องไปเรื่อยแง้เราจะไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะเราปัดปาดทาความสะอาดตัวเนี่ยเราก็ใส่ใจกับความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆกันหมดรู้อยู่บ่อยๆนี่ก็เป็นการทําความเพียรแล้วไม่เกียบคานแล้วแต่ถ้าเราเดิ น, นจงกรมจริงอาจาัง <c oughs> แต่ว่าจิตใจไม่ได้ใส่ใจอยู่กับความรู้สึกในการเดินคือยกมือขึ้นไหวแต่จิตใจก็ล่องลอยไป คิดไปโน่นคิดไปนี่คิดใจจิตใจไม่ได้อยู่กับความรู้สึกในขณะที่ทําเนี่ยอย่างนี้ก็ยังว่าไม่จะได้ทําความเพียรแล้วเน่ะเป็นคนเกียดพานอะถึงแม้จะขยันเดินก็จริงแต่ว่าไม่ขยันต้องความรู้สึกไม่ขยันกันหมดเพราะนั้นความเพียรคือเพียรภายในก็หมายถึงเอาสติรู้สึกในกายนี่บ่อยๆรู้สึกอยู่กับความรู้สึกตัวบ่อยบอยเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่ามีความเพียร มีความเพียรอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่สม่ำมเสมอไม่เบียดคันทําอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวบ่อยๆนะก็เป็นการสร้างอุปนิสัยอเราสร้างความรู้สร้างความเคยชินในทางที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆเราสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาเพราะสัญญาตัวเก่าเนี่ยมันจำแต่เรื่องอารมณ์ต่างๆหลายที่มันเกิดขึ้นที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยมันเป็นสัญญาที่ไปรู้อยู่กับ เรื่องราวต่างๆเห่านั้นมากมายแต่สัญญาที่จะมารู้สึกตัวเนี่ยสัญญาตรง น, นี้เราไม่ค่อยจะสร้างจะทำกันสัญญาที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆรู้การเคลื่อนการไววบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะนั้นเมื่อไดเราได้โอกาสได้เวลาที่มาพึกกันนี้แล้วนี่ก็พยายามที่จะไม่ละทิ้งโยงเอาไปฝึก เ, เพราะปัญหาที่พวกเราเรานั้นยังมีอีกมากที่เราจะต้องเผชิญข้างหน้าเนี่ยประสบกับความทุกข์ ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ถ้าเราไม่มีฐานจิตใจที่มั่นคงดีเนี่ยทิศเราก็จะทุกข์ดูล่ําไปทุกข์เพราะปัญหาต่างๆที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวะโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าวัตถุมันจเรนจริญสิ่งของต่างๆมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายแต่ถ้าเราไม่อบรมจิตฝึกจิตเราให้ดีเนี่ย จิตเราก็จะเป็นธาตของวัตถุเป็นธาตุแงความทยานอยากเป็นธาตุแงความละโมบเพื่ความอยากอันนี้มีที่สิ้นสุดเมื่อความอยากมันมีอิทธิพลมีกําลังเหนือสติเหนือปัญญาเราแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องทุกมีความทุกข์มากมายเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราฝึกสติเอาไว้เนี่ยฝึกเจริญกรรมฐานไว้เนี่ยถึงวันนี้มันยังไม่ได้ผลยังไม่ประจักษ์แก้งแต่เมื่อปฏิบัติไป ฝึกไปเจอปัญหาแล้วก็รู้จักกำหนดรู้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วย ท, ทาให้เกิดความาฉลาดให้เกิดปัญญาที่จะรู้จักแก้ปัญหากับตัวเองเมื่อทุกข์ขึ้นมาก็จะไดไม่ต้องวิ่งไปหาพระลดน้ํามูกน้ำมนต์ไม่ต้องไปวิ่งหาท อ, อ, อทําตะเดาะเคราะต่อชะตาอะไรมันจะรู้จักแก้ปัญหาของตัวเองไม่ต้องกลัว เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาคิตอย่างตรงคนเราเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยบางทีไม่รู้จักทางออกไม่รู้จักวิธีการที่จะออกจากทุกผู้ชายเป็นทุกข์ก็ไปหากินเหล้าดื่มทุราเที่ยวเตะเตไปแต่ทางที่ไม่ดีไม่งามมากมายอยูเมื่อผู้หญิงเปนทุกข์ก็อาจจะหาทางออกไม่ได้กินยาตายปูกคอตายหรือว่า ค่าตัวตายกันเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักทางออกว่ามันถูกกดดันถูกอัดอั้นตันใจหรือคับแค้นใจขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักทางออกรู้จักทางกดเรื่องเพราะวิธีทางการแก้ทุกข์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ทุกข์แบบคนที่ก็ว่าไม่มีปัญญาหาทางออกที่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นหากว่ามันมีทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่แหละโยม ตัวการปฏิบัติทำนี่แหละโทวสติปัญญาที่เราฝึกอบรมนี่แหละมันจะไปช่วยแก้เองมันจะรู้จักมองชีวิตในลักษณะที่เป็นความจริงนึกในทางที่เป็นศาสนาธรรมมากขึ้นเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้มันปรากฏตัวขึ้นแก่พราะมันถูกก่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามันจะเลยทําให้เราไม่ต้องไปยึดหรือไปแบกอะไรต่ออะไรเนี่ย ให้มันหนักมากเกินไปแต่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่เห็นอยู่ลืมลืมตัวลืมตัวลืมแก่ลืมเจ็บแล้วก็ลืมความตายจิตใจก็มีแต่ความอยากกับความอยากที่ทุกชาติรากจูงอยู่ตลอดเวลาเพราะผลท้่เรารู้จัก <c oughs> การปฏิบัติกลับมาดูตัวเองกลับมาใช้สติปัญญากหมดรู้ ในตัวเราเนี่ยจะจะเห็นเองเมื่อใดที่เราประจักษ์กับรูปนามเห็นรูปนามที่มันปรากฏชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะหมดสงสัยเรื่องของอนิจจังเรื่องทุกขันเรื่องอนัตตามันจะเห็นสภาพาความเป็นจริงเพราะธรรมชาติของร่างกายก็ดีทำให้ของจิตใจก็ดีมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งยุบแล้ก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันถาวรมั่นคง ทุกอย่างรวนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัสตาทั้งนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับกายเราเห็นทุกทางกายนะโยมแต่วันๆถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะเห็นทุกมันปรากฏตลอดเวลาเรากำมัดรู้ตัวอยู่เนี่ยเดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาแนละ้วทุกทางกายทุกเวทนาเนี่ยความเจ็บความปวดความเมื่อยภพต่างๆ ควมามาทรมานของร่างกายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยับหมดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันมีทุกข์บบังคับทุกข์ของธรรมชาติที่มันมีอยู่ในกายอันนี้เราก็เห็นเลยโยมถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเนี่ยเห็นเห็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์เคลื่อนไหวก็ทุกข์ไปไหนมาจะมีแต่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดดูเนี่ยมันไม่เห็นอยู่มันลืมแม้ทุกข์ก็ขึ้นมาก็ไม่ได้กำหนดรู้เลยไม่ได้ใส่ใจรู้กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น เพราะนั้นในทางปฏิบัติได้ว่าทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีกำหนดรู้ก่อนยึงค่อยเปลี่ยนเยอะบทก่อนทีเราจะเปลี่ยนจากชาติซ้ายไปขวาเปลี่ยนจากยืนไปเดินเปลี่ยนจากนั่งไปทําอย่างอื่นเนี่ยกำหนดรู้ก่อนว่าโอ้นี่ทุกมันเกิดแล้วทุกเวทนาครอบงําแล้วเห็นทุกปรากฏแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนในฐานะที่เพื่อที่จะบรรบัดบําบัดทุกแก้ทุก ไม่ได้เตลียนด้วยตัณหาหวังที่จะเอาสุขจากอิยาบทอื่นจริงๆแล้วทุกเอียาบทมันไม่มีความสุขเลยโยมอิยาบทไหนที่มันแก่แล้วมันก็ทุกเดินนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกนอนนานก็ทุกเคลื่อนไหวไปมามันก็ทุกเนยคิวก็ทุกกระหายก็ทุกร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกเพราะไอ้ตัวทุกจริงๆแล้วมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกทางกายเป็นทุกธรรมชาติเรามันไปวิบากอันเกิดขึ้นจากความเกิด คนเราเมื่อมาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บนั่งนานมันเจ็บปันทุกข์เนี่ยโยมเห็นไหมความเจ็บมันปรากฏความเจ็บปวดมันเป็นวิบากอันเกิดขึ้นจากการเกิดจากชาติคือความเกิดเมื่อมีความเกิดแล้วความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายนั้นเป็นเรื่องที่เป็นของธรรมดาของสังขารที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหนีจากพระตรงนี้ได้ เว้นแต่เราไม่เกิดนั่นแหละโยมหยุดความเกิดที่ได้นั่นแหละความแก่ความเจ็บความตายทิงจะไม่มีมาถ้าตายไปเรายังปรารถนาที่จะเกิดอยู่อีก mm. ก็ต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา mm. ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นผลเปนวิบาก ท, ที่ติดตามมาอยู่อย่างนี้เพราะเราเมื่อเรากำลังยังบดอยู่กับปัจจุบันเราเห็นทุกข์โยมทุกข์โอ้นี่ร่างกายมีแต่ทุกข์ในตัวทั้งตัวนี่มีแต่เรื่องของความทุกข์ปรากฏมันก็จะเห็นทุกข์ในธรรมชาติของมัน เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่ที Kia ่บังคับบัญชาไม่ได้มันเห็นของมันเองติปัญญามันสอดส่องมันรู้มันเข้าใจมันรู้จักมองชีวิตเป็นสัจธรรมมากขึ้นเป็นความจริงมากขึ้นนี่ก็เลยว่ามันเห็นตัวเองเมื่อเห็นได้เนี้มันก็เรียว่าไม่เพิดไม่เพลินแล้วโยงรู้ท้อทันมโอสังขารร่างกายเทียบพระองค์ทรงตรัสว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ของเราเนี่ยเราก็จะประจักษ์แจ้งในสัจธรรมตรงนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไว้ศึกษาแลอบรมเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราของเราอยู่อย่างนั้นเป็นของเที่ยงอยู่อย่างนั้นเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นของแปรรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงหรือเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้มองลักษณะอย่างนี้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราไปของเราเป็นตัวฉันของฉัน ตัวตนของตนอยู่อย่างนี้ก็มีสักยะทิฏฐิที่คึดถือในร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเราฝึกปฏิบัติตัวเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นรูปธรรมเป็นรูปธาตุเป็นธรรมชาติที่มันต้องแปลเปลี่ยนแล้วก็แตกดับเห็นว่าเป็นรูปธรรมแล้วกเออเข้าใจละเมื่อเห็นความสึกภายในที่เป็นจิตใจที่มันเกิดขึ้นภายในเห็นว่าเป็นเรื่องของนามธรรมแล้วก็ใช้ได้ พอไปสัตบุคคลตัวนเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติเรียกรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาเข้าใจรูปนามแล้วมันก็จะค่อยอแตกออกมาเองเลยโอ้นี่สัจ่รรมเป็นนามเป็นนามเนี่ยก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรมันก็ดับไปเราเกี่ยวข้องกับเวทนาก็จะเห็นเวทนานี่เกิดดับมีสติเข้าไปรู้จิตใจก็จะเห็นความรู้สึกของจิตต่างๆ จิตปรุงแต่งที่มีราคะบ้างมีโทษะบ้างโมหะบ้างมันก็เป็นเพียงจับว่าอารมณ์ปรุงแต่งเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปไม่แต่กำลบรู้ธรรมที่มันเกิดขึ้นคของจึตที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นกุศลอกุศลมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกคั้งหน้าตาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมในญาติโยมให้เรามีสติอยู่กับตัวเถอะมันมันก็จะค่อย รู้ค่อยเข้าใจตัวเองค่อยปฏิบัติค่เห็นไปเองเรื่องจิตใจแต่ที่เรื่องยากคือการที่เราจะมีสติฝึกให้รู้จักความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันตรงนี้แหละมันทํายากแต่ว่าถ้าเราทําได้แล้วมันก็เป็นการเป็นผลที่เกิดขึ้น<ม>ทําให้รู้เห็นเข้าใจเองสติ<ม>ปฏัฏฐานจะเกิดขึ้นเองเจริญเองเมื่อเราเอาสติมันกําหนดรู้กายเนี่ยเป็นอารมณ์ไปก่อนกําหนดเรียบทต่างๆให้รู้สึกตัวไปก่อน เมื่อสติตรงนี้มันเกิดการรู้อะไบทอย่างหยับหยาดืนเดินนั่งนอนสตรนิรู้ตัวขูดละเอียดเคลื่อนไว้ก้มจะเงยจะเลียวซ้ายแลขวาจะทําอะไรอยู่สติของเราจะระลึกรู้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ทั่งมันระลึกรู้เข้าไปสู่ภาวะของจิตใจภายในใจจะนึกขึ้นมารู้ว่าโอ้นี่มันดำลํานึกคิดไปเรื่องนี้รู้ทันมันปล่อยมันวางมันหลุดมันพ้นออกไป พอจิตมันจะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาดําริเรื่างนี้ขึ้นมาสติมันรู้มันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ทันมาโอนี่มันจะคิดเรื่องทุกข์อีกแล้วคิดเรื่องกิเลสตัณหาอีกแล้วคิดปุงแต่งไปทางยินดียินร้ายอีกแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ทันแล้วมันก็จะไม่เข้าไปแล้วมันเห็นทุกข์แล้วมันไม่เข้าไปแทนทุกข์เองสติปัญญาแต่สติปัญญานี่จิตใจเนี่มันยังไม่ได้เห็นทุกข์เนี่ยมันก็เข้าไปทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าอารมณ์นนี้มัเป็นทุกแต่ก็ปปดดเข้้าไไไม่ บทที่จะให้จิตใจมาเกิดพร้อมโกรธโลภหลงไม่ได้มันก็เข้าไปเพรามันเองเพราะว่าสติปัญญาเรายังไม่แก่กล้ายังไม่เกิดการรู้เท่าทันขึ้นมาเนี่ยก็ถูกความคิดาาต่า ง, งมันปรุงแต่งไปฐานภาวะที่ปรุงแต่งได้ว่าเป็นสังขารเป็นสังขารเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งทีนี้ภาวะใดที่สติปัญญาเข้าไประ ล, ลึกลลรู้แล้วกระทบสัมผัสกับอารมณ์แล้วเนี่ยจิตใจมันเกิดภาวะที่รู้ขึ้นมาแล้วมันไม่ปรุงแต่ง จิตใจของเป็นปกติผ่องไสเนี่ยเรียกว่าเป็นวิสังขารคือจิตไม่ตรุงแต่งไม่มีอุปาทานไปยึดติดกับอารมณ์หรือของศึกต่างๆเหล่านั้นมันเป็นวิสังขารวิสังขารหมายถึงว่ามันไม่มีทุกตรงนั้นจิตใจก็เป็นปกติธรรมดากระทบอารมณ์แล้วมันก็วางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่พระแต่ษตัวรู้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเพื่อปลดปล่อยลดละความทุกข์ได้จริงๆญาติโยมเพราะว่ากิเลสทั้งหลายนี่มันไม่ได้มีอยู่เดิมไม่ได้มีอยู่ก่อนธรรมชาติของคนเราใน ม, มีจิตใจที่เป็นปกติจิตใจที่ใน ม, มีทุกข์มีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่าเมื่อเราไม่มีสติเข้าไประลึกรู้เนี่ยพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกกระทบกลิน่นลิ้นสัมผัสลด การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนเท้ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไปเกิดความยินดีพอใจไม่พอใจะเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการปรุงแต่งจิตขึ้นมาอีกแหละกิเลสมันเกิดขึ้นมโนใจก็กขึ้นทุกมันก็เกิดขึ้นตามเพราะความทุกข์นั้นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากที่จิตเรานี่มันปรุงแต่งด้วยอํานาจแห่งกิเลสปัญหาในจิตใจของเราเองแต่ถ้าจิตเราไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ย ทุกอะไรมันก็มาเกิดแล้วทางด้านจิตใจแม้ร่างกายมันจะมีความทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแต่จิตใจนี่มันจะเป็นอิสระของมันรู้อยู่ว่าร่างกายนี่มันมีทุกขเวทนามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติของผูปธรรมที่มันเป็นอย่างนั้นกอรู้จัดแก้มันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ใจเป็นทุกข พอใจมันคิดอะไรที่มาสติมันเกิดมันรู้ก่อนมันก็รู้จักคิดแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ไม่นําความทุกข์มาใส่ตนเพราะคําอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันเป็นเป็นฟองของความที่จิตเราไม่มีความรู้นั่นเองไม่มีสติปัญญาที่เกิดขึ้นคนเราเมื่อไม่มีสติรู้จักรักษาจิตตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาเพราะความไม่รู้กิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดให้การปรุงแต่งเกิดังขานขึ้นมาพอสังขานเกิดวิญญาณ อันเกิดขึ้นจากสังขารนั้นก็ปรากฏนามู้ปรากฏมันก็เราเป็นเรื่องของวงจรของจิตใจที่มันปรุงแต่งซึ่งกระแสของกิเลสปัญหาที่มันเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เป็นทุกข์พอถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันอยู่เห็นจิตเห็นใจตัวเองอยู่เนี่ยแล้วว่ามันมีปัญญาหรือว่ามีเพราะที่รู้ขึ้นมาเนี่ยอวิชชามันไม่เกิดความไม่รู้มันไม่เกิดคือสติปัญญามันเกิดก่อนกระทบสัมผัสแล้วสติมันเกิดก่อน สัมผัสทางตาสติเกิดสัมผัสทางหูสติเกิดสัมผัสทางจมูกสติเกิดสัมผัสทางลิ้นสติเกิดสัมผัสทางกายสติเกิดสัมผัสทางใจกระทบอารมณ์สติมันเกิดพรสติมันเกิดก่อนแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงราคะที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันก็ดับไปโทสะที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันก็จะดับไปนั่นจึงเรีว่าสําคัญมากกับการฝึกการปฏิบัติเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นเรา ให้เราว่ามั่นใจแต่ว่าวิธีการปฏิบัติแบบลงเข้าเทียนที่ท่านนามาแนะนําเนี่ยเป็นวิธีการที่ปฏิบัติตรงต่อสติปัญหาทั้งสี่ทำให้จิตตอนนั้นเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ขึ้นมาได้ทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถที่จะปลดเรื่องปัญหาความทุกข์ทรมานจิตใจเนี่ยได้อย่างมากมายมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อยู่อัศจรรย์มากแต่ แต่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดทนมากในการฝึกขัดในการปฏิบัติถ้าความเพียรไม่ถึงพวามอดทนไม่เพียงพอแล้วก็ถ้าเราไม่เรียกว่าประกอบในการปฏิบัติให้มันถึงเนี่มันก็ไม่ ไ, มได้เนั่นเอยมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีที่ขึ้นอยู่กับเอความเพียรของเราพอสงควรเพราะนั้นจึงว่าท่าน ผู้ปฏิบัติธรรมยิ่ต้องมีหนึ่งชันทะชันทะหมายถึงความพอใจในการที่จะปฏิบัติในการที่จะอบรมตนเองในการที่จะฝึกขัดตัวเองเนี่ยก็มีฉันทะความพอใจตรงนี้ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วตัวสัทธานะั่นแหละสัทธานหะรือตัวชันทะความพอใจแล้วบอกต้องมีอิธิบาท <S S 2> <c oughs> เป็นเครื่องนําปฏิบัติ <c oughs> ริยะหมายถึงความเพียรอยม่พยันเดินพยันสั่งจงังหวะพยันําหมดรู้อยู่บ่อย นี่เหมือนทิ้ตัววิริยะที่ตัวความภาคเพียรความพยายามทําไม่หยุดไม่หย่อนทําไปเรื่อยไปต่อเนื่องไปลูกโต่ไปเรื่อยๆนี่เราทว่มวิริยะจิตตาก็มาที่งเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ละทิ้งธุระในการปฏิบัติเอาใจฝักใฝ่ก็หมดรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฝักใฝ่อยู่การกระทําการเดินการยืนการนั่งการคูกการเหยียดฝักใฝ่อยู่ในงานอันนี้ปฏิบัติอยู่ในจิตอันนี้ในที่หน้าที่อันนี้ ที่เรามีกิจจะกิตต่อใจฝักใฝ่รู้ในการกระทําก็วิมังสากัมมันติดตองมันพิจารณาว่าเราทําแบบไหนทาอย่างไรมันถึงได้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวและทําอย่างไรที่จิตใจมันพลั้งเถอมันลืมมันหลงมันก็รู้จักในการพิจารณาในการกระทํามันก็เรียกว่าเป็นวิมังสามันมันเป็นองค์ประกอบของการกระทํความเพียรมันมีอยู่ตรงนี้โยมสำคัญ กันทะกันไว้ที่เอาใจเข้าไปฝักใฝ่ในการกระทําความเพียร น, นะกันทะความพอใจออกความพอใจในการทําถ้าเราพอใจทําแล้วมันทำโยมแต่ถ้าไม่มีความพอใจไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยมัก็ทําไม่ได้เดินจงกรมหน่อยก็เหนื่อยโอ้นั่งกรร ม, มาฐานยกมือขึ้นไว้หนก็เหนื่อยไม่มีความพอใจในการกระทําอย่างนี้ก็เรียกว่าผล มันก็ได้รับน้อยประโยชน์ก็น้อยเพราะนั้นฉันพระวิยะกิตตาวิมังสาถือว่าเป็นหลักกิจทีบาทที่จะทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุสิ่งที่เราต้องการบรรลุสิ่งที่เราปรารถนาบนรรลุผลในสิ่งที่เราต้องการที่อยากได้เราต้องการความไม่มีทุกต้องการดับทุกต้องการที่จะแก้ปัญหากับตัวเองเนี่ยต้องอาศัยธรรมอีกทีบาทเนี่ยเป็นหลัก ขันพระความพอใจพอใจในการทำํำตาไม่ออกยมไม่นั่นตาไม่ดีมี น, น, นั่นที่อันอ๋อธรรมอารมณ์กับอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ อารเดียวกันทำอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายความรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยก็เรียกาเป็นทำอารมณ์หรือว่าไอ้อย่างเนี่ยอย่างนิวร์เนี่ยความง่วงเนี่ยก็เป็นทำอารมณ์ความง่วงความพุ่งซ่านรําคาญจิตคิ ด, คดพยาบาทเนี่ยเรียกว่าความสงสัยหลังเลนก็รก่วมเป็นทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจทั้งหมดเลยอารมณ์ก็ คือเมื่อจิตเราเกิดอารมณ์อารมณ์อารมณ์ดีก็มีนะอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกอสบายใจรู้สึกจิตใจที่มันร่าเริงมันเบิกบานนั่นก็เป็นอารมณ์อารมณ์เหมือนกันนะเป็นอารมณ์ทีนี้อารมณ์ที่โกรธเคลิงคับแท้นก็เป็นอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราถ้าทำอารมณ์นี่มันก็มีทัส่วนที่เป็นกุศลและการกุศลแล้วเกิดสมาธินี่ก็เป็นทำอารมณ์เหมือนกันจิตเรามีสมาธิ อาิตเราตั้งมั่นเลยเป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจทั้งสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเป็นทั้งธรรมอารมณ์แล้ก็เป็นทั้งอารมณ์ด้วยกันอารมณ์เนี่ยว่ายถึงอย่างที่ว่าอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์รักเป็นอารมณ์เท่านั้นเท่านั้นทั้งธรรมอารมณ์เนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับใจเรียกว่าธรรมอารมณ์บางครั้งคิดในเรื่องราวที่ดีก็เป็นธรรมอารมณ์ในฝ่ายที่ดีในฝ่ายกุศล บางครั้งคิดในทางพยาบาทอทางความโกรธอย่างนี้ก็เป็นทำรมฝ่ายอกุศลทั้งกุศลาธรรมมาก็คือทำที่เป็นกุศลอกุศลาธรรมมาทำที่เป็นอกุศลอัพยากรตาธรรมมาก็เป็นทำที่เป็นกลางๆไม่ใช่ออกุศลอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมมาลมก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็นะคืออยู่ได้กันนั่นแหละโยมเรื่องเดียวกันนะนนี้เรียก ว, ว่าธรร ม, มารมเพราะฉะนั้นอย่างความคิดทั้งหลายเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ย มันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคิดรักขึ้นมาเนี่ยอารมณ์แห่งความรักก็เกิดขึ้นความสุนทรีความรู้สึกเอก็พอใจในเรื่องที่รักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาหรืออย่างเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่ดุร้ายความรู้สึกไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาเนี่ยพอเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นเรื่องของจิตใจเรี่ยดังนั้นเพราะว่าในเรื่องเอปฏิปฐานจะมีกาย เวทนาจิตธรรมคำว่าธรรมเนี่ยเรียกว่าใค้เห็นธรรมก็ตัดว่าธรรมมันไม่ได้ตัดบุคคลตัวเราเข้ากับมายที่ว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นในทางในตัวเราเนี่ยก็เป็นธรรมทั้งหมดม้นะแต่การเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาเนีน่ยก็เรนะียกว่าเห็นธรรมในธรรมเัมือนกเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเห็นธรรมที่มันตั้งอยู่เห็นธรรมที่มันเสื่อมไปเนี่ก็เรียกเป็นการเห็นธรรมะเพราะนั้นการเห็นธรรมะก็คือ เห็นเรื่องราวที่มาเกิดขึ้นกับใจนั่นแหละเรื่งเราจะเกิดขึ้นกับใจของเราเป็นธรรมทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับใจนันเป็น